จะไม่ตายไม่มีอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์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 เปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อนำมาซึ่งทุกข์กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเข้ามาเปรียบด้วยหอกและเหลาเป็นโลกเป็นดังหัวฝีเป็นความทุกข์ยากเป็นความลาบากเช่นดังหลุมทานเพลิงเป็นลากเง้าแห่งความทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌคาต การทั้งหลายบันดิตกล่าวว่ามีความทุกข์มากเป็นอันตรายมากอย่างนี้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 พึงหลีกเว้นเสียให้ห่างไกลธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียนมีมายามากมักทำพรหมจรรย์ให้กำเริบย่อมทำนักรตให้จมลงท่านรู้แจ้งชนนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลสตรีทั้งหลายมีวาจาไพเราะมีสัมผัสอ่อนหวานยากที่จะให้เต็มได้เสมอด้วยแม่น้ำ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 ถ้าตกอยู่ในอำนาจของหญิงแล้วย่อมไม่ลุ่งเลืองเหมือนพระจันทร์ถูกลาหูจับฉะนั้นโจรผู้มีจิตโกรธคิดประทุษร้ายพลึงกระทําแก่โจรอื่นซึ่งเป็นค่าศึกที่มาประจันหน้าส่วนผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงไม่มีอุเบกขาย่อมเข้าถึงความพินาศยิ่งกว่านั้นอีกหญิงถึงจะถูกชายฉุดกระชากลากผมและยิกวัด้วยเล็บ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 ย่อมถูกติเตียนทั้งโรกนี้และโลกหน้ากรรมของตนกระทบแล้วเป็นคนโง่เขาย่อมไปพลังพล้งพลั้งพลดพลาดโดยไม่แน่นอนเหมือนรถที่เทียมด้วยลาโกงย่อมผิดทางเะนั้นผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงย่อมเข้าถึงนรกเป็นที่เผาสัตว์ให้รุ่มร้อนและนรกอันมีป่าไมาย้ยุมีหนาแมแหลมดังหอกเหล็ก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 เร่นหัวความยินดีอันเป็นทิพย์จากกระพัดสมบัติในมนุษย์พระนางเทพอับสอนอันอยู่ในวิมานทองโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพฤติพรมจรรย์ชายเหล่านั้นพึงได้คติที่ก้าวล่วงเสียซึ่งกามธาตุรูปธาตุสมภพและคติที่เข้าถึงวิสัยความปราศจากราคะโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใด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 เหมือนไฟแสดงควันก่อนในการใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธในการนั้นคนนั้นไม่มีหีริไม่มีโอต ป, ปะและไม่มีความเคารพคนที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีแสงสว่างแม้แต่เพียงน้อยเลยคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้ฆ่ามาดาของตนก็ได้ฆ่าพระขีณาสพก็ได้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 แร่บุคคลอื่นว่าเป็นคนโง่เขลาถ้าความโกรธเกิดขึ้นจงระลึกถึงพระโอวาสอันอุปมาด้วยเรื่อยถ้าตัณหาในรถเกิดขึ้นจงระลึกถึงพระโอวาสอันอุปมาด้วยเนื้อบุตรถ้าจิตของท่านแร่นไปในกามและพบทั้งหลายจงรีบข่มเสียด้วยสติเหมือนบุคคลห้ามโคที่ชอบกินข้าวกล้าฉะนั้น ความโกรธเกิดแต่ความไม่อดทนทีแรกเป็นของน้อยแต่ภายหลังเป็นของมากย่อมเจริญขึ้นโดยลำดับความโกรธมักทาความเกี่ยวข้องมีความคับแค้นมากวาจาของผู้ประกรอบด้วยโทสะเป็นวาจาหยาบคายถัดจากนั้นก็เกิดปรามาร ถ, ถูกต้องกันต่อจากนั้นก็ชกต่อยกันด้วยมือต่อไป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 จึงจะไม่เศร้าโศกในการไหนๆหนรือสีทั้งหลายย่อมสันเสริญการละความลบรูบุคคลควรอดทนคำหยาบที่ชนทั้งหลายกล่าวสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวความอดทนนี้ว่าสูงสุด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 สารนังคชามิสังฆสารนังคชามิข้าขอนอบน้อมบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสุดเสียงเกล้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทรงมีพระปัญญาอันล้ำเลิศทรงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเหนือผู้อื่นใดทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอันประมาณมิได้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 ณวันสำคัญนี้มาเถิดเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเรามาปฏิบัติบูบชาตามคำสอนของพระองค์เถิด อ, อย่าประมาทงัวเมาในชีวิตกันอยู่เลยโดยการระช่วประพฤติทำใจให้ผ่งแพ้วแล้วเราจะพบความจริงที่พระองค์ตรัสรู้มาเถิดเรามาปฏิบัติตามสีล จะนำมาสึ่งความสุขสีจะนำมาสร่างโชคลาภ ส, สีจะพาไปสู่นิพพานสีเป็นเปนเรื่องชำระอันวิเศษชีวิตินี้สั้นนักเหมือนฟองอน้าเหมือนเกลียวขึ้นตั้งอยไม่ช้านานก็พลันมลายไปขอท่านทั้งหลาย จงยึดทางเป็นแนวทางของชีวิตเถิดชีวิตก็จะใจยุลสังคมก็จกร่มเย็น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 แม้แต่พระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าก็มีอาจะหดีกเลี่ยงมัจุลาชได้ต้องตายเสมอหน้ากันหมดมนุษย์ในโลกนี้ก็มีสภาพคล้ายไก่ในกรงขังนั่นเอง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 ก็ไปประชุมกันที่ชุมทางใหญ่คือหลุมฝังศพหรือมิฉะนั้นก็ที่เชิงตะกอนทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาซึ่งเขาเคยยื้อแย่งกันก็ล้วนแต่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งสิ้นด้วยเหตุผลนีแหละพระศาสดาจึงทรงพร่ำสอนให้มนุษย์สั่งสมคุณงามความดี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 ให้นอนนิ่งปราศจากความรู้สึกในเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงซึ่งแม้จะรักกันปานประหนึง่งเจ็กกลืนกินกันไว้แต่ก็ต้องจากกันไปอย่างแน่นอนความจริงแห่งชีวิต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 ก็ไม่สามารถปลูกบ้านในอากาศในกระแสน้ำหรือบนกองแกรบได้ฉันใดบุคคลย่อมไม่ควรยึดถือมากเกินไปในชีวิตฉันนั้นคนที่ดีแต่คิดในทางทุกข์ร้อน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 ก็มีเวลากัดกรุ้มกระวนกระวายมากกว่าเวลาที่จะมีความสุขทั้งใจทุกใหญ่ของชาวโลกคนที่มีสิ่งใดก็ย่อมรักมาก หลงยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปก็เกิดทุกข์ยิ่งรักมากหวงมากเท่าใดก็ทุกข์เท่านั้นรักน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่มีทุกข์ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันหนึ่งที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งที่ตัวเราใกล้ความตายเข้าไป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 หนึ่งร้อยปีเป็นอย่างช้ามนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนในที่อันแออัดยัดเยียดต้องแย่งกันอยู่แย่งกันทรมาหากินทางนี้เพราะเขาติดในสิ่งยั่วยวน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 จะต้องเดินตรงไปสู่ความตายอย่างแน่นอน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 อย่างยิ่งของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภ พ, พเธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปรานีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดลงไปในบ่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักได้ครองเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันวตงามเล้ากามาคุณให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่ง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 เขาไม่อาจจะริกให้พ้นผลแห่งกรรมซึ่งเขาสร้างขึ้นได้ไม่ว่าจะหลบหลีกไปอยู่นาท้องถิ่นแดนดินใดแต่กลำอาจจะให้ผลเร็วหรือช้าก็แล้วแต่จังหวะและสภาวะอันเหมาะสม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 อยู่ในป่าแห่งสังสารวัตนี้ก็ฉันนั้นถูกภัยคือความเจ็บความแก่ความตายความทุกข์กายทุกใจเพราะเหตุต่างๆคุกคามให้วาดหวันพลั่นพรึงอยู่เนืองนิดถูกความไม่ได้ดั่งใจปรารถนาบีบคั้นต้องเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังหวังอยู่นั่นเองหวังว่าจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้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 เขาจะไม่ได้รับความรู้ชั้นสูงเขาจะงู้และสอบตกอยู่ในโรงเรียนของโรคนั้นตลอดไปปวงสัตว์ที่เกิดมาในวัตตะจำต้องเวียน่หวตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุด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 ใบไม้เหลืองร่วงหล่นลงจากต้นลงสู่พื้นดินบัณฑิตย่อมพิจารณาสังขารของตนแต่คน่านหาคิดอะไรไม่ความจริงธรรมชาติสอนคนอยู่เสมอแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนไม่ค่อยจะรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่ธรรมชาติสอนเมื่อเมฆฝนตั้งเขาและลอยต่ำลงและแล้ว ก็หลังลงสู่ภูมิภาคบางคราวก็มีพายุจัดพลอยผสมบางครั้งก็มีแต่ฝนล้ว น, วนมันก่อให้เกิดความมืดและเปียกชุ่มแต่แล้วมันก็จากไปความสว่างและเหือดแห้งก็เข้ามาแทนที่เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้พอสมควรก็มีฝนตกฟ้าร้องอีกมืดแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็มืด วนเวียนอยู่เสมอไม่คงที่อยู่ได้และเป็นอยู่จนตลอดอนันตการสิ่งที่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดบัณฑิตเห็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอันนี้แล้วพิจารณาเห็นความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตมีด้านมืดและด้านสว่างเมื่อวิถีของชีวิตโคจรมาถึงด้านมืดบัณฑิตย่อมทำในใจว่าความสว่าง อาจจะรออยู่ข้างหน้าย่อมไม่หวาดหวั่นพลั่นพลึงควบคุมจิตใจของตนไว้มิให้กลับกรอกนอกธรรมแห่งบัณฑิตและเมื่อวิถีชีวิตโคจรมาถึงบุ่มสว่างก็ทำในใจโดยแยบขายว่าความมืดอาจจะกำลังรอคอยอยู่ข้างหน้าควบคุมจิตใจของตนมิให้หลงละเิงเพลิดเพลินในความสุขความสมหวังประครับประคองตน อยู่ในคุณธรรมเตรียมรับมุมมืดที่กำลังใกล้เข้ามาด้วยดวงจิตอันสงบเย็นความจริงธรรมชาติสอนคนอยู่เสมอเป็นที่น่าเสียดายว่าคนไม่ค่อยจะรู้และเข้าใจในสิ่งที่ธรรมชาติสอน ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันแม้จะยังหนุ่มมีวัยยังสดแต่ขาดกําลังกายภายในไม่มีเหตุสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกย่อมอ่อนแอท้อแท้เหมือนไม่สามารถสู้กับความทารุณของโลกได้แต่ถ้าได้รับกําลังกายเพราะปราศจากโรคภัยเบียดเบียนมีอาหารเพียงพอได้ได้รับกําลังใจเพราะมีกัลยาณมิตร คอยเพิ่มน้ำใจอันเปี่ยมด้วยความหวังดีให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอเขาย่อมจะมีความสดชื่นมีชีวิตจิตใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของตนและสังคมให้สมค่าแห่งชีวิตที่ได้มาโดยยากการให้กำลังใจเป็นการให้สิ่งที่ไม่มีค่าอะไรแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ว่าไม่มีค่าอะไรนั้นคือผู้ให้ ไม่ต้องซื้อหามาจากที่ไหนเป็นการลงทุนที่น้อยแต่ได้ผลประโยชน์อย่างไพศาลเสียงปร่งภาคสองก็ได้นำเสนอท่านผู้ฟังมาด้วยเวลาอันสมควรแล้วหวังว่าเทปชุดนี้คงจะช่วยให้ท่านได้ปรงได้วางความยึดถือและความติดยึดในกิเลส หยาบกลางละเอียดได้มากขึ้นขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทิน